ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะประพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันน า, นาพระอมาราธิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาตรจนาต่อไปก็จะเป็นสังขาริเศสสิกขาบทที่แปดเรื่องของการโจ์อัปปะราชิกไม่มีมูล ในอมู ล, ละกะสิกขาบทที่แปดความว่าพิกสุใดโกรธแค้นพิจุ ด, ด้วยกันและแกล้งโจดด้วยปาราชิกทั้งสี่อันใดอันหนึ่งไม่มีมูลเพราะหาเหตุจะให้เธอนั้นชิพหายจากพรหมจรรย์ภายหลังจะมีผู้ซักไซเธอก็ตามไม่ซักไยก็ตามคือเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามอธิกรณ์ น, นั้นไม่มีมูลแน่แล้วถึงเธอจะปฏิญญาว่าเราพูดเท็จ ก็คงเป็นสังคาธิเศษในขณะโจดนั้นแล้วปราชิกไม่มีมูลนั้นคือไม่ได้เห็นด้วยตาโดยปกติหรือว่าตาทิพย์และไม่ได้ยินด้วยหูโดยปกติหรือว่าด้วยหูทิพย์และไม่ได้รังเกียดด้วยใจว่าเธอต้องอาบัตตปปราชิกทั้งสี่อันใดอันหนึ่งด้วยตนได้เห็นอาการหรือได้ยินธรเนียงและได้กลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ควรจะรังเกียจอย่างนี้แลชื่อว่าไม่มีมูล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 โสดว่าจะทําอุโบสถปรณาสังฆ ก, กรรมกับท่านไม่ได้เช่นนี้ชื่อว่าห้ามด้วยสังวาสก็คือการอยู่ร่วมอยู่ร่วมโดยการลงอุโบสถสังฆกรรมต่างๆด้วยห้ามสังวาสเท่านี้ถ้าห้ามสังวาสเท่านี้ยังไม่ถึงศรีรษะเลยังไม่ถึงที่สุดคือยังไม่เป็นอบัติก่อนต่อเมื่อใดกล่าวว่าท่านไม่เป็นสมณะเป็นต้นมาต่อเข้าปลายคําก่อนก็คือบอกผมไม่ลงอุโบสถกับท่านแล้วท่านไม่เป็นสมณะ นี้ถึงจะอ บ, บัตถถึงที่สุดก็คือเป็นอบัติ์นั่นแหละไม่ทําอภิวาทและการลุกไปรับและอัญเชริกรรมและสามิจิกรรมมีการพัดเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าห้ามสามิจิกรรมอันนี้ให้พึงรู้ในเวลาที่พิกุุทําการไหวเป็นต้นโดยลําดับแล้วไม่ทําแก่พิกษุองหนึ่งข้ามไปทําแก่พิจุอันเศษคือพิกษุที่เหลือเท่านี้ชื่อว่าเป็นอันโจด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 และโจทถ้าบุคคลนั้นบุคคลผู้นั้นรู้ความในขณะนั้นว่าเขาโจ์เราดังนี้เป็นสังขาริเศษด้วยเพราะว่าโจ์อบัติประชิกไม่มีมูลแล้วก็เป็นทุกข์กฎ ด, ด้วยทุกๆคำโจ์เพราะว่าไม่ขอโอกาสก่อนมันไม่ขอโอกาสก่อนและโจ์อบัตินี้ต้องอบัตทุกข์กฎครั้นผู้โจ์ให้เธอทำโอกาสแก่ตนก่อนแล้วจึงโจดเป็นสังขาริเศษอย่างเดียว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 โดยในดังกล่าวแล้วเป็นบัตรทั้งผู้ใช้ด้วยผู้โจลด้วยแม้ผู้รับไปโจดว่าเราเห็นเราได้ยินด้วยเป็นอาบัต ด, ดังก่อนด้วยกันทั้งสองนั่นแหละก็คือทั้งผู้ใช้ทั้งผู้โจดก็แล้วทิสุไม่ให้เขาทําโอกาสก่อนและกล่าวด้วยประสงค์จะดา่าไม่ให้เขาทําโอกาสก่อนแล้วก็ประสงค์จะดา่าเป็นอาบัติปาจิตตีด้วยแล้วก็เป็นทุกขกดด้วยอาบัติปาจิตตีเพราะว่าดา่าทิสุเป็น ทุกอเพร้อมไม่ให้ทําโอกาสก่อนโดยในดังกล่าวมาแล้วครั้นให้ทําโอกาสเสียก่อนแล้วจึงว่าเป็นแต่ปาจิตติอย่างเดียวก็ือว่าไปด่าเขาทิสุทํากรรมทั้งเจตรการในที่รับหลังด้วยกรรมมาที่บายประสงค์จะทํากรรมเป็นทุกอดทำกรรมเจตการในที่รับหลังมีจุดประสงค์ในการจะทํากรรมนั้นก็เป็นทุกอดกรรมเจตรการก็ได้แก่อะไรตัดชนิยกรรม เป็นการชี้โทษนิยสกรรมก็เป็นการลดตําแหน่งลดตําแหน่งปัปพายชนิกรรมก็ขับไล่แล้วก็อเคปนิยกรรมก็เป็นการที่ไม่ให้สมโพกับทรงยกวัดเกีกับนิยกรรมทางใ้เป็นนานาสงวาทยกเวสามประการก็คือยกวัดก็ไม่เห็นหน้าบาทอย่างหนึ่งไม่แสดงคือหนาบาทอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นวิชาทิฏฐิอย่างหนึ่งส่งเตือนแล้วถ้าไม่ฟังก็ตรวจประกาศทำครั้งก็เป็นอเคเป็นการทำ okay, นะํำอุเคยก ศักดิสงไม่ให้สมโพสไม่ให้อยู่ร่วมกินร่วมกับสงไม่ให้เข้าร่วมกับสงเลยกลายเป็นนานาสังวาสไปทิศสุกล่กาวว่าท่านต้องอาบัตชื่อนี้ท่านจงแสดงอาบัตนั้นเสียดังนี้ด้วยวุฒานาธิบายก็คือประสงค์จะให้ออกจากอาบัตและยกอุโบสถหรือปวารณาแก่ทิศสุอื่นก็ดีอันนี้ไม่ต้องขอโอกาสการยื่นขอโอกาสก็คือประสงค์จะโจรประสงค์จะทำกรรม พวนี้ต้องข อ, อกาดแต่ถ้าประสงค์ให้ออกจากอบัติอันนี้ก็จะยกอุโบสถยกปรน า, าอะไรีพวกนี้ก็ไม่ต้องขอขาดได้แต่ให้รู้จักเขตที่จะยกเขตในการที่จะยกก็คือยังไม่ตรวจไม่ถึงกระยะยังถึงยะอักษร น, นั้นก็ยกได้ห้ามได้ถ้าเลยแล้วก็ห้ามไม่ได้แม้ที่สุผููซักความครั้นเมื่อวัตถุเขาโจดขึ้นและกล่าวว่าตามของท่านอันนั้นมีอยู่ ด้วยประสงค์ในที่จะสัดไซก็ไม่ต้องขอโอกาสถ้ามีการโจทย์มีการซัดไซไรเดีเยงกันก็ไม่ต้องขอโอกาสก็ได้แม้ภิกษุเป็นธรรมก็ตถึกไม่เจาะจงผู้ใดแสดงธรรมไปโดยในว่าผู้ใดทาอย่างนี้อย่างนี้ผู้ น, นั้นไม่เป็นสมณะเป็นต้นดังนี้ก็ไม่ต้องขอโอกาสก่อนถ้าเธอเจาะจงก็คือกาหนดกล่าวว่าผู้น้นด้วยผู้น้นด้วยไม่เป็นสมณะไม่เป็นอุบาสก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 ถึงแม้เขาจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็แล้วแต่ว่าเข้าใจว่าเขาไม่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นโจดอย่างนี้ก็ไม่เป็นอาบัติอันนี้ต้องไม่มีมูลแล้วก็แกล้งรู้ว่าเขาบริสุทธิ์แล้วก็ไปโจดว่าเขาไม่บริสุทธิ์ถึงจะเป็นอาบัติสี่ข้อระกนี้ก็เป็นสารนติกะก็คือใช้ให้เขาไปโจดก็เป็นอาบัติด้วยกันมีองค์ห้าก็คือข้อที่หนึ่งโจดเองหรือว่าให้ผู้อื่นโจดซึ่งผู้ใดผู้นั้น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 อธิษอานไปข้อที่ห้าก็คือผู้ต้องโจทย์รู้ความก็คือเข้าใจในขณะนั้นต้องรู้ความในขณะนั้นด้ว ย, ยถึงจะเป็นอบัตสังฆาธิเศษแต่รู้ความที่หลังก็อาบัตละลองลงไปบางไปเพรามที่องค์ห้านี้จึงเป็นอบัตสังฆาธิเศษส่วนสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอธินนาทานทิขาบทก็คือมีสมุทฐานสามกายจิตวาจาจิตแล้วก็กายวาจาจิต เป็นสัญยวิโมกข์เป็นสัจจิตตะเป็นอากุศลแจิตแต่ว่าในอตินทานเป็นเวทนาสามในที่นี้ต้องเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวเป็นทุกขเวทนาเพราะว่าต้องมีใจไม่ดีเป็นโทมนัสเป็นโทสามุตฉิตหวังให้เขาเคลื่อนกับโทมจันต้นบัญญักษก็คือพระเมติยะกับภูมิจิกาเป็นโจทรพระทัพภาหมรบุตรผู้เป็นพระอรหันต์ว่าไปเสดเมถุนกนาภิกษุณีเมติยา สิกขาบทที่แปดก็จบต่อไปสำคัญที่สุดสิกขาบทที่เก้าในอัญญะพาคียะสิกขาบทที่เก้าความว่าพิกสุใดโกรธแทนพิกสุอื่นหมายจะให้เธอเคลื่อนจากพรหมจรรย์แกล้งถือเอาเลสมีชาติเป็นต้นมาโจทย์พิสุนั้นด้วยปาราชิกไม่มีมูลคือผู้ที่เป็นชาติกษัตริย์เป็นต้นเศรษเมถุนหรือว่าต้องปาราชิกอันใดอันใดและถือชาตินั้นมาเป็นเลสมาใส่ในพิกสุ ที่เป็นชาติกษัตริย์เหมือนกันว่าท่านเป็นกษัตริย์เศรษเมทุนและเป็นปารารชิกด้วยเหตุนี้เหตุนี้เราเห็นเราได้ยินเรารังเกียจ ด, ดังนี้ต้องสังฆาริเศสนในขณะโจทดแม้ปฏิญญาตนในภายหลังก็ไม่ผลอบัตไในผลโทษนวมังจบติการบททีเก้ 9, สาสังฆาริเศันนี้ก็พระเมติยะพระภูมิมัชิกะเหมือนกันก็ไปโจดไม่มีมูลกับพิกสุแต่พระทพร ะ, พ, ระพิกสุแล้วเนี่ยนะ ก็ไม่สะสมใจพอตอนหลังก็ไปอ้างเลขโจดอีกไปเห็นแพะสองตัวกําลังเสเมถุนกันก็เลยอ้างเลขสมมุติว่าแพะตัวผู้เป็นพระทัพทะามารบทสมมตุติแพะตัวเมียชื่อ น, งน า, อางภิกษุณีเมติยาแล้วก็ไปอ้างเล่ทีเนี้ยไปโจดนีนิชชัยก็แล้วก็เป็นคนอ้างเล่โจดเป็นต้นบรรยากาศสิกาบทข้อที่เก้านี้นะนัะ่นก็สมมติฐานวิธีอะไรก็เหมือนกับสิกาบทข้อที่แปด เป็นอตินนาทานสมุทฐานเหมือนกันต่อไปในสังฆเพทะสิกขาบทที่สิบทำให้สงแตกกันตกิจกตรกายทำลายสงความว่าทิกสุใดยพยายามคือว่าสแสวงหาพวกพ้องเพื่อจะทำลายสงซึ่งพร้อมเพียงกันอยู่ในสีมาอันเดียวกันหรือยกเอาเหตุที่จะทำลายสงคือเพทะกรวะวัตุสุแปดขึ้นแสดงเหตุที่ทาให้สงแตกกันอ ย, อย่างเช่น พระพุทธจ้าตรัสสิ่งนี้ไว้ไม่ได้ตาถึงนี้ไว้ถึงนี้เป็นธรรมเนวินยัยสึงนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยนี่เป็นอาบัติเบานี่เป็นอาบัติหนักนี่เป็นอาบัติมีส่วนเหลือไม่มีส่วนเหลืออะไรพวกนี้อันนี้เป็นเพทกกราวะัตถุเป็นเหตุที่ทําให้แตกกร้าวะกันติ๊กตู่อื่นได้เห็นได้ยินก็พึงห้ามปรามว่าท่านอย่าทําอย่างนี้จงพร้อมเพรียงด้วยสงเถิดด้วยว่าสงพร้อมเพรียงไม่แกล้งแยกมีอุเทศอันเดียวกันแล้วก็ย่อมอยู่สบาย ถ้าเธอไม่ฟังคำห้ามต้องทุกกฎถ้าภิกษุได้เห็นได้ยินแล้วไม่ห้ามภิกษุที่เห็นได้ยินนั้นไม่ห้ามนั้นก็ต้องอาบัติทุกกดด้วยภิกษุอื่นห้ามเธอเธอไม่ฟังคำห้ามแล้วให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นฉุดคล้าตัวเธอไปณนทะ่ามกลางสงฆ์แล้วพึงห้ามอีกสามครั้งถ้าเธอสละไซก็เป็นการดีถ้าเธอไม่สละไซต้องทุกกดแล้วสงฆ์พึง ตรวจสมุภาฏคือประกาศห้ามเธอนั้นด้วยยติเจตุกรรมวาจาครั้งสองตรวจสมุภาสนะจบยติลงแล้วเธอนั้นต้องทุกกดเมื่อจบอนุสาวระที่หนึ่งที่สองลงเธอนั้นต้องถุนละใจครั้งจบอนุสาวนาที่สามลงก็ต้องอบัตสังกัตทิเศมันก็ต้องตรวจประกาศสามครั้งอันนี้เป็นยาวัตติยาการสิกขาบทยาวะตกิยาการคือทั้งตรวจประกาศจบไามครั้งถึงต้องอบัตรวมแล้วยติก็เป็นสี่ สิกขาบทนี้ก็มีสมุทฐานเดียวก็คือสัมมนุปาสนะสมุทฐานเป็นสมุทฐานเดียวนะแต่ว่ามีองค์สามด้วยกันก็คือย่อมตั้งขึ้นจากทางกายวาจาแล้วก็จิต ด, ด้วยอ่เป็นองค์เดียวมีองค์สามคือกายวาจาจิตแต่เป็นสมุทฐานเดียวแล้วก็เป็นอกิริยาก็คือไม่ยอมสละเพราะเมื่อพิกจุไม่ทํากายวิการหรือว่าเปล่งวาจาว่าสละคืนเนี่ยจึงต้องอบัต เป็นสัญญาวิโมกเป็นสจิตกะเป็นโลกวัชชะนะกายกรรมวิจีกรรมแล้วก็ต้องด้วยอากุศลจิตอย่างเดียวเป็นทุกขเวทนาต้องเป็นโทมนัสนี่ก็สิกาบทที่สิบจบต่อไปเพทานวัติกะหรือว่าเพทานวัตตกะสิกขาบทที่สิบเอ็ดประพฤตามภิกษุผู้ทำลายสง์ความว่า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 เธอย่อมร่วมรู้กับเราได้ปรึกษาด้วยเรากรคำนั้นย่อมชอบย่อมควรแกเราทั้งหลายดังนี้ให้พิกิตทั้งหลายอื่นผู้ได้เห็นได้ยินพึงห้ามปราหม์เธอจนถึงสามครั้งถ้าห้ามเธอทั้งหลายแล้วไม่ฟังให้พิจิตทั้งหลายนั้นพึงสวดสมุุภาสนะเธอทั้งหลายด้วยยติเจตุกรรมวาจาเพื่อจะให้สละคืนกรรมนั้นเสียถ้าเธอทั้งหลายสะะกรรมนั้นเสียก็เป็นการดีถ้าเธอไม่สะะเสีย นิ่งจนจบอนุสาวระที่สามลงเธอทั้งหลายนั้นต้องสังขาดิเศษความน้องนั้นก็เหมือนสิกขาบทก่อนสมุทฐานอะไรก็เหมือนกันหมดถ้าพิสษจนผู้รู้เห็นไม่ห้ามปรามก็ต้องอบัตรทุกกฎต่อไปในทุพภะจารสิกขาบทที่สิบสองพิสูจนว่ายากสอนย่าความว่าพิสูจเป็นคนดื้อว่ายากสอนยากครั้นพิสูจนทั้งหลายว่ากล่าวสั่งสอนด้วยสิกขาบทบัญญัติ ทำตนไม่ให้ผู้อื่นว่ากล่าวได้คือกล่าวว่าทันทั้งหลายจะยได้ว่าสิ่งไรๆเป็นความดีก็ตามเป็นคาชั่วก็ตามแก่เราเลยแม้เราก็จักไม่ว่าสิ่งไรๆเป็นคําดีหรือเป็นคําชั่วกับท่านทั้งหลายทันทั้งหลายจงงดจากการว่ากล่าวเราเทรี่เถิดอังนี้ให้ที่สุดทั้งหลายพึงห้ามปรามเธอเสียอย่าให้เป็นคนดื้อครั้นที่สุดทั้งหลายว่าเธอเธอยังดื้ออยู่เช่นนั้น ให้พิจิทั้งหลายพึงจุดฆ่าเธอไปณนทะ่ามกลางสงศ์ตัวสมนุปาษนะสามครั้งเพื่อจะให้สละกรรมนั้นเสียถ้าเธอสละเสียก็เป็นการดีถ้าไม่สละเสียจบอนุสาวรนที่สามลงก็ต้องอาบัรรมกัรที่เสษสมุทฐานอะไรก็เหมือนกันหมดต่อไปในกูละทูสกัสติคาบทที่สิบสามความว่าพิกษุอาศัยบ้านและนิคมใดยอยู่ เป็นผู้ประทุษร้ายสกุลคือให้ดอกไม้ผลไม้เป็นต้นแก่ตระกูลให้เขาเสื่อมผลแห่งทานที่ให้แก่ตนดังนี้ชื่อว่ากูระทูสกะ่านที่เขาจะทำบุญกับเรานะผู้ที่มีศีลมีธรรมะได้ไอสงมากมายแต่ว่าก็ไปประทุษร้ายสกุลมีจิตใจไม่ดีไม่งามมีคุณธรรมไม่สูงนะมีคุณธรรมต่ำมัก็ทาให้ผลแห่งทานของเขาเนี่ยลดลงลดลงอย่างนี้เรียกว่ากูละูสกะ ผู้ประทุษร้ายตระกูลและเธอเป็นคนมีสมาจาร์อันชั่วคือปลูกกอไม้เพื่อสงเคราะห์ตระกูลเป็นต้นสมาจาร์อันชั่วและตระกูลที่เธอประทุษร้ายนั้นย่อมปรากฏแก่ตาแก่หูผู้อื่นให้ี่สูดทั้งหลายผู้ได้เห็นได้ยินพึงทําปัปพาชนิกันก็คือขับไล่เธอเสียจากบ้านและนิคมนั้นด้วยยติจตุติก ร, รมวาจา ครั้งเธอต้องปรับภาชนียกรรมแล้วคือถูกขับไล่แล้วกลับกล่าวติเตียนสงผู้ทำปรับภาชนีกรรมนั้นว่าทำด้วยฉันทาคติก็คือลำเอียงเพราะว่าความพอใจโทสาคติลำเอียงเพราะโกรธโมหคติลำเอียงเพราะหลงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวดังนี้ให้พิกูจนทั้งหลายอื่นผู้ได้เห็นผู้ได้ยินพึงห้ามปราบเธออย่าให้ติเตียนการรบสง์ดังนั้นถ้าห้ามปราบเธอไม่ฟัง ให้พิจูตทั้งหลาย น, านั้นพึงฉุดฆ่าตัวเธอไปณท่ า, ามกลางสง์ ส, วส่วนสนุภาสนะสามครั้งเพื่อจะให้สละคําติดเตียนนั้นเสียถ้าเธอไม่สละเสียจบอนุสาวนะที่สามลงต้องสังขาริเศสมุติรามวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมสังขาริเศสนะก็คือปฐมสังฆเพียร t สิกขาบทที่สวดเกศปิปตายเพื่อําลายสงนั่นเองเป็นยาวะตะติยากาสิกขาบทเหมือนกัน ตั้งแต่สันเจตนิกะสิกขาบทสิกขาบทสังคารทิเศตข้อที่หนึ่งนะถึงอัญญภพายะสิกขาบทคือสังคารทิเศตข้อที่เก้านี้เป็นปัตตมาปติกะเพราะจะพึงต้องในขณะที่ร่วงเป็นทีแรกก็คือต้องอบัติแต่ครั้งแรกเลยที่ไปกระทําร่วงละเมิดว่าเป็นอบัติทันทีนอกนั้นสี่สิกขาบทก็คือตั้งแต่ปฐมสังฆเทถะจนตั้งถึงกุลุตุสกะเนี่ย สิกขาบทหลังนี้ชื่อว่ายาวะติยกาเพราะจะพึงต้องในขณะเมื่อจบอนุสาวนะที่สามทั้งสิบสามสิกขาบทนี้ข้อใดข้อหนึ่งภิกษุต้องแล้วรู้อยู่และปิดไว้สิ้นวันเท่าใดต้องอยู่ปริวาติสิ้นวันเท่านั้นครั้นอยู่ปริวาติเสร็จแล้วต้องประพฤติมานัดอีกหราตรีคพราะนั้นประพฤติมานัดแล้วพึงขออัภานในสงมีภิกษุยี่สิบ รูปเป็นคณะสงฆ์ให้อภารแล้วจึงพ้นอาบัตินั้นได้เพราะเหตุนั้นภิกษุต้องแล้วอย่าพึงปิดไว้ด้วยความละอายพึงบอกเสียแก่ภิกษุที่เป็นสภาฆะกันในวันนั้นคือภิกษุที่ถูกกันเนี่ยภิกษุที่มีศีลมีธรรมเสมอกันก็ควรจะบอกในวันนั้นอย่าให้ทันอรุณขึ้นมาได้เมื่อบอกเสียได้ในวันนั้นจะต้องประพฤติมานัดแต่หกราตรีแล้วขออภายกรรมแกสงฆ์ อันนี้ไม่ต้องอยู่ปริวาทนะถ้าไม่ปกปิดก็ประพฤติมานัดหกราตรีแล้วก็ขออภัยกรรมแก่สง์ผลโทษได้ง่ายต้องแล้วก็ให้บอกแม้ด้วยภาษาไทยดังนี้ว่าข้าพเจ้าต้องอบัตสำคัญที่เตชื่อนี้ข้าพเจ้าบอกอับัตนั้นแก่ท่านออันนี้ก็ไม่ต้องอยู่ปริวาติไมอยู่มานัดเลยแล้วก็อภานได้เลยส่วนลักษณะที่จะปิดอับัตนั้นดังนี้ก็คือข้อที่หนึ่ง พิถูุต <Jub ilee> <use. S 1> ้องแล้วต้องอาบัตนะข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองรู้อยู่ด้วยว่าเป็นอาบัตข้อที่สามตนเองเป็นปกติตะสงไม่ได้ยกวัดไม่ได้ถูกยกวัดข้อที่สี่รู้อยู่ว่าตัวเองก็เป็นปกติตะไม่ได้ถูกสองยกวัดก็รู้ด้วยข้อที่ห้าไม่มีอันตรายสิบอย่างอันตรายจากสัตรร้ายจากโจรจากภัยจากอะไรต่างๆพระราชาไม่มีอันตรายอันดับหนึ่งข้อที่หกก็รู้ว่าไม่มีอันตรายด้วย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 อย่างคนใดคนหนึ่งก็ตามไม่บอกให้อารุณใหม่ขึ้นมาก็เป็นอันปิดไว้แท้ใ้ความละอายต่ออุปชาอาจารย์นั้นไม่เป็นประมาณที่ตุที่เป็นสภาค่ากันโดยข้อปฏิบัติรู้แล้วและจะไม่เยาะเย้ยติเตียนล้อเลียนนี่แหลเป็นประมาณควรบอกก็คือถ้าเขาเย่อเย้ยติเตียนรู้ว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่ถูกส่วนกันเป็นวิสภาค่ากันก็ไม่บอกแบบ พิจูนั้นก็ไม่เป็นการปิดนะแต่ว่าตั้งใจในการที่จะบอกกับพิจูที่เป็นพาค้ากันอันนี้ก็ไม่เป็นอันปิดถ้าปิดเอาไว้แล้วก็ต้องไปอยู่ปริวัตตามวันที่ปิดเอาไว้ปิดไว้วันหนึ่งก็อยู่ปริวาติวันหนึ่งแล้วค่อยขอมานัดแล้วจึงอภาน์ถ้าปิดไว้สิบ ป, ปีก็ต้องไปอยู่ชดใช้ถึงสิบ ป, ปี่นะถึงค่อยเดมาอยู่มานัฐหกวันแล้วก็ขออภานได้อันนี้ก็เป็นสังฆาธิเสศษสวรรณนานิติตาจบสำนักพิเศษนะ ต่อไปก็จะเป็นอนิยตตาสิกขาบทจากปัญ น, นาอนิยตตสิกขาบทอนิยตตสิกขาบทนั้นมีสองข้อแรกนี่ท่านก็ตั้งชื่อให้นะว่าอะลังกร ม, มนิยะสิกขาบทที่หนึ่งมาถึงการนั่งนิทิรัตพอจะทำการได้ความว่าพิกสุดายแต่ผู้เดียวนั่งอยู่หรือนอนในอาสนะที่ปิดบังเป็นที่รับตากับด้วยหญิงแม้เกิดในวันนั้นแม้ถึงหลายคน ที่นั่งหรือนอนอยู่อุบาสิกาที่มีถ้อยคำควรเชื่อคือเป็นอริยสาวิกาใต้เห็นพิกจุนั้นและโจรด้วยปา ร, ราชิกเพราะเศษเมถุนหรือด้วยสังฆาทิเศษเพราะตายักษ์สังขะจับต้องกายหญิงหรือด้วยปาจิตตีเพราะนั่งในที่รับกับด้วยหญิงข้อใดข้อหนึ่งพิกจุนั้นเธอปฏิญญาข้อใดให้พระวินัยทรปรับอาบัตตามปฏิญญาในข้อ น, นั้น คือปฏิญญาว่าเศเมถุนก็ให้ปรับปลาราชิกปฏิญญาว่าจับต้องกายหญิงก็ให้ปรับด้วยสัมผัสพิเศษปฏิญญาว่านั่งหรือนอนอยู่ในที่รับกับด้วยหญิงที่นั่งและนอนอยู่ก็ให้ปรับอบัตภะจิตตีถ้าปฏิญญาว่าตนยืนหรือหญิงยืนอยู่ไม่ได้ทําอะไรกันอย่าให้พระวินัยถนรนจับอาบัตสิ่งใดเธอเลยด้วยความเห็นนั้นบางทีก็เป็นอย่างที่เห็นบางทีก็เป็นอย่างอื่นการเห็นนี้ไม่เป็นประมาณ ต้องเอาคำปฏิญญาด้วยไม่แน่นอนที่สุดประสงค์จะไปหามาตรความด้วยความกำนังในที่รับเป็นกิเลสอาศัยเมถุนตั้งแต่ประโยคที่แต่งตัวมีป้ายยาตาเป็นต้นไปตัออ้งอัปบาททุกๆประโยคเลยอบัตทุกกฎอัปบาททุกกฎทุกๆประโยคเลยท่านไปถึงที่แล้วก็ น, นั่งหรือนอนลงแล้วเนี่ยหญิงจึงนั่งหรือว่านอนลงหรือหญิงนั่งหรือนอนอยู่แล้วที่สุดจึงนั่งหรือว่านอนลง หรือนั่งและนอนพร้อมกันทั้งสองก็ดีจึงเป็นปาคิตตีถ้าทิ่ตุนั้นจับต้องหญิงหรือว่าเสพในถุนให้พระวินัยทรบึงปรับอาบัติเธอตามวัตถุนั้นๆแม้ถึงผู้ชายนั่งอยู่ที่ริมประตูห้องที่บานปิดอยู่ปีตุนั่งในห้องกับหญิงชายนั้นก็คุ้มอาบัติไม่ได้ถ้านั่งอยู่นอกห้องปิดประตูนี่คุ้มอาบัตไม่ได้ผู้ชายตาดีนั่งอยู่ในโอกาสติดสองสอบ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 ว่าหลับๆับเตื่นได้ก็แต่หญิงแม้สักร้อยหนึ่งก็คุ้มอาบัติไม่ได้มีชายผู้รู้ความตาไม่บอดนอนอยู่แต่ไม่หลับก็ดีหรือชายเช่นนั้นอยู่ในอุปจาระ ก, ก็ดีหรือเพียรตุหรือหญิงยืนอยู่ไม่นั่งก็ดีเพียรตุไม่เพ่งในที่รับก็ดีทรงใจไปในที่อื่นก็ดีเหล่านี้ไม่เป็นอาบัติปจิตตินะใม่เป็นอาบัติปจิตติเพราะนั่งในที่รับกับหญิง ทิศตูเป็นบ้าเป็นต้นก็คือมีจิตบุญสร้างบ้างมีทุกขเวทนาครอบงมบ้างแล้วก็เป็นต้นบัญญัติเนี่ยไม่เป็นอบัตบทั้งสามอย่างไม่เป็นอบัตดัิกบดนี้เป็นอนานาติกะใช้ให้ไปนั่งก็ไม่เป็นใช้คนอื่นเขาคนใช้ไม่เป็นคนนั่งแหละเป็นองค์ในสิกขบทนี้พึ่งให้รู้ตามอับดัททิศตูปติญญาสมุธฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมปาราชิกก็คือ กายจิตก็มีใายกับจิตเป็นสัจจิตตะเป็นอกุศลก็มีเวทนาสองเป็นโลภะปัทนาจะนั่งปัทมังจบสิกขาบทข้อแรกอนิยตตาต่อไปสิกขาบทข้อที่สองชื่อว่านาลังกามมะนิยะสิกขาบทที่สองข้อแรกเรียกว่าอะลังกา ม, มะนิยะพอจะทําการได้ อ, อนิยสอนี้นาลังกา ม, มนิยไม่สามารถที่จะทําการได้ไม่พอจะทําการได้ ก็คือไม่สามารถจะเสดในทุนได้แต่ว่าสามารถที่จะจับต้องกายหญิงเป็นสงาิเศษกับนั่งที่ทิลับเป็นปฏิสติตีได้ความว่าอาสนะที่นั่งไม่ปิดบังด้วยสิ่งอันใดเป็นที่แจ้งดังกลางวัดกลางบ้านไม่ควรจะเสดเมถุนควรแต่จะพูดทุตทุนละวาจาคือวาจาชั่วยาวาจาชั่วยาได้อยู่กับมาดุกขามได้เท่านั้นการบทข้อนี้ต้องสงายิเพราะ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 มีถ้อยคำควรจะพึงเชื่อได้ได้เห็นพิสูจน์นั้นและโจดด้วยสังกัดิเศษเพราะกล่าวทุตุรววาจาหรือด้วยปานจิตตีพระนั่งในที่ลับข้อใดข้อหนึ่งพิสูจผู้นั่งนั้นเธอรับปฏิญญาด้วยข้อใดให้พระวินัยทรพึงปรับอบัตเธอด้วยข้อนั้นหรืออุบาสิกาผู้มีถ่อยคำควรเชื่อนั้นโจดด้วยข้อใดให้วินัยทรพึงปรับอบัตเธอนั้นด้วยข้อนั้น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 เพโทษนั่งในที่รับได้แต่คนหูหนวกแม้ตาดีหรือคนตาบอดแม้ไม่หนวกเหล่านี้คุมอบัดไม่ได้ถ้าคนหูหนวกตาดีก็คุมไม่ได้คนตาบอดแต่ว่าหูไม่หนวกก็คุ้มอบัดไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นหญิงชายรู้ความตาไม่บอดหูไม่หนวกยืนหรือว่านั่งในที่สิบสองซอกในที่ใกล้มีจิตฟุ้งซ่านบ้างหรือว่าหลับอยู่บ้างก็คุ้มอบัดได้ สมุทฐานวิธีก็เหมือนกับอัตินาทานสิกขาบทสิกขาบทข้อที่สองอานิยตข้อที่สองนี้เป็นอัินาทานสมุตทฐานก็คือมีสมุตทฐานสามกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตแต่ถ้าเป็นสิกขาบทอานิยตข้อที่หนึ่งสมุตทฐานเหมือนกับปฐมประชิกก็คือกายจิตเท่านั้นแตกต่างกันอันนี้ก็อนิยตสิกขาบทที่สองก็จบในสองสิกขาบทนี้ที่ชื่อว่าอานิยตแปลว่าไม่เที่ยมหรือว่าไม่แน่นอน ด้วยว่าเป็นประชิกบ้างสนคาพิเศษบ้างปาจิตติบ้างโดยบัญญัตนนินั้นๆตามปติญญาแห่งพิกษุอนหนึ่งสองสิกขาบทนี้ดูเหมือนพระองค์ทรงบัญญัติไว้ให้เป็นตัวอย่างแก่วิในทอนผู้จะตัดสินความผู้โจทและจำเลยในสิกขาบททั้งปวงให้ตัดสินตามอย่างอนิยตสิกขาบททั้งสองนี้อนิยตตะวันนา น, านิทิตาอนิยตะกระจ ในครั้งพุทการก็อนิจจตาสิกขาบทสองสิกาบทนี้ก็คงยังไม่ได้นํามาสวดทุกครึ่งเดือนเพราะว่าท่านแสดงไว้ว่ามีแค่ร้อยห้าสิบเท่านั้นร้อยห้าสิบสกาบทที่นํามาสรวจทุกครึ่งเดือนก็ยกเว้นอนิจจตาสองตอเสกิยะเจ็ดสิบห้านะเป็ น, น, นเจ็ดเจดเลยะก็ไม่มีก็คงพึ่งจะมาเพิ่มตอนสังคยนาแล้วอ่ะเพิ่มเข้ามาเพื่อเอาเป็นหลักวินิจฉัยแต่ียะเจ็ดห้าก็ควรจะดูตรก่อน ตอวันนี้ก็ยุติเพียงแค่นี้พรุ่งนี้จะกล่าวถึงอบัติที่เป็นฑุและชยาบัตซึ่งมานอกถปาติโมกและก็เป็นอยู่ในต่วนของศิกขาบทวิพังก็มีมาหลายที่จะไว้กล่าวตอนในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้ท่านมีศรัทธาปิติประโมทในการศึกษาตรีรรศิขาลิพะอธิศติและศิขาเพื่อเป็นบาตแห่งอธิจิตติขาและก็อธิปญญาศิาขาให้ตัดศัตรูอริยะแต่จะทำคาสอนคุสมมาสมบิชฌาโดย ปาฏิเวสทสาธุกท่านด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ